2. รัตตันทะการวักสิกขาบทที่หนึ่ ง, งภิกษุณียืนเคียงคู่กันสองต่อสองกับชายในเวลาค่ำคืนไม่มีประทีปต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. น, นยืนอยู่ในช่วงแขนชายต้องอาบัตปาจิตตีส ยืนพ้นระยะช่วงแขนต้องอาบัดทุกกฎ